ทำไมบางคนเมื่อโกรธแล้วดูน่ารักให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้โกรธจริงน่าเข้าใจน่าเอ็นดูน่าใกล้ชิดอยู่แต่บางคนเมื่อโกรธแล้วดูน่าเกลียดให้ความรู้สึกคล้ายจะฆ่าแกงกันน่าดูถูกน่าชิงชังน่าหลีกหนีให้ไกลภาวะความเป็นรูปกายและกระแสทางใจเป็นสัญญาณบอกว่า แต่ละคนก่อพบก่อภูมิระดับไหนอยู่มีความอยาบสามแนระคายเพียงใดมีความประนีตน่าชื่นชมขนาดไหนใช้ใจสังเกตรู้สึกเอาก็ได้บางคนโกรธแล้วน่ารักเพราะฐานเมตตาดั้งเดิมอันสว่างใสตกแต่งให้ดู อ, อ่อนโยนมากกว่ากระด้างมีประกายความรักมากกว่าความเกลียดกระจายความเย็นมากกว่าความร้อนทาให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้โกรธ จ, จริง หน้าตาแค่แตกต่างในทางแรงไปเดียวเดียวน่าเข้าใจน่าเอ็นดูน่าใกล้ชิดอยู่บางคนโกรธแล้วน่าเกลียดเราะฐานพยาบาทดั้งเดิมอันมืดทึบตกแต่งให้ดูกระด้างมากกว่าอ่อนโยนแผ่รังสีความเกลียดมากกว่าความรักขับดันไอร้อนมากกว่าไอเย็นจึงให้ความรู้สึกพลุงพลานคล้ายจะฆ่าแกงกันหน้าตาบูดเบี้ยวราวกับไม่ใช่มนุษย์ น่าดูถูกน่าชิงชังน่าหลีกหนีให้ไกลการจำแนกแยกแยะความหยาบประนีตของตัวตนคนรอบตัวนับเป็นเรื่องง่ายเพราะแค่ใช้ตาดูแค่ใช้ใจรู้สึกก็ตัดสินได้คร่าวๆแล้วว่าไรมืดเพียงใดไรสว่างแค่ไหนโดยเฉพาะตอนโกรธแบบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแต่การจำแนกแยกแยะว่า ตนเองหยาบหรือประนีดเพียงใดนับว่ายากพอควรเพราะใช้ตาดูไม่ได้รันจะใช้ความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาก็ลำบากในเมื่อต้องผ่านด่านความรู้สึกเข้าข้างตัวเองหลายชั้นในการเจริญสติพระพุทธเจ้าจึงให้ดูอาการทางกายก่อนหายใจเข้าหรือออกตอนโกรธจะได้รู้ว่าหายใจยาวหรือสั้นพ่วงลมหยาบหรือประณีด ลมหายใจเป็นอย่างไรยอมรับไม่ยากอยู่แล้วจากนั้นจึงดูว่าขณะหายใจตอนโกรธมีความเป็นทุกข์มากแค่ไหนความทุกข์ไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายยอมรับได้ไม่ยากนักโกรธกี่ทีก็รู้ได้ว่าความทุกข์เข้มข้นเพียงใดเจือจางลงไปเมื่อไหร่เมื่อรู้จักสังเกตช่วงเวลาอันยืดเยื้อของความทุกข์จนคุ้นก็จะเริ่มแยกแยะ จิตตัวเองที่โกรธในแต่ละครั้งออกตลอดจนเริ่มรู้ขึ้นมาเองว่าจิตตนอยู่ในพบหยาบหรือละเอียดเพียงใดถ้าต้องทุกข์เพราะโกรธนานบ่อยๆจิตก็นับว่าหยาบอยู่มากแต่ถ้าหากส่วนใหญ่ทุกข์เพราะโกรธเดียวๆจิตก็นับว่ามีความประนีต ด, ดีแล้ว หมายเหตุผู้อ่านและต้องไม่ลืมนะครับว่าพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะละความโกรธได้ต่ําลงมากว่านั้นเมื่อมีสิ่งกระทบจิตย่อมเกิดความโกรธไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปสุดล้วต่ ว, ว่าโกรธแล้วจะมองเห็นความโกรธในจิตหรือไม่และจะทําอย่างไรต่อไป